ทำวิจัยจริงๆวิจัยชีวิตให้เป็นไปตามคำสอนเราเห็นอย่างนี้เราข้ามความสงสัยอดีตได้ไหมข้ามความสงสัยอนาคตได้ไหม เ, เลิกสงสัยทั้งอดีตอนาคตไหมไม่สงสัยเลยใช่ไหมว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัจจัยแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจนข้ามความสงสัยในการถามแล้วก็พยายามที่จะพิจารณาท่านบอกว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะ น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระมันสิ้นไปอย่างไรเนอะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวน่ากลัวอย่างไรเป็นอนัตตาเพราะไม่มีแก่นยังไงทําไมมันจึงไม่มีแก่นก็นาฬิกามันสวยออกว่าไม่มีแก่นได้ยังไงใช่ไหมไม่มีแก่นตรงไหนก็มันมีถามอยู่ด้วยข้างในแก่นไหนก็คือไม่มีแก่นคือความเที่ยงอยู่ในนั้นไม่มีแก่นคือความสุขแท้จริงอยู่ในนั้นไม่มีแก่นคือ อัตตาอยู่ในนั้นท่านก็ต้องมาสอบถามมาวิจัยถามตอบตอบถามอยู่นั่นแหละทันก็ลักษณะวิจัยาหาระนั่นแหละเอาวิจัยาหาระมาให้ครวรมาพิจารณาพ่านในโลกของการศึกษาคําสอนเนี่ยนะเราจะเป็นกันได้ตอนนี้ก็คือสาวกอนุพุท ธ, ธะคือประเภทกลุ่มรู้ตามเห็นตามบรรลุตา ม, ตามเท่านั้นแหละไม่ต้องไปคิดเองหรอกถ้าเราคิดเองวิจัยเองเออเองว่าเองไม่ต้องมาพูดพูดทางสารานางังข้าฉามนีให้เมื่อยอะไรหรอกไม่ต้องมานับถืออะไรหรอกล้วก็ว่าของเราไปเอง ก็นะบรรลุเองจริงๆอะนะบนรรลุอะไรก็ไม่รู้บรรลุแปลว่าถึงใช่ไหมถึงไหน <laughs> ไม่รู้อะของไกลของไกลแล้วกันนะแต่ว่าย้อนมาทบทวนให้ดีๆนะสมาทานที่จะเห็นตามสมาทานที่จะรู้ตามบุคคลที่ไม่ยอมสมาทานที่จะรู้ตามไม่ยอมสมาทานที่จะเห็นตามเนี่ยนะเขาทำลายคำสอนโดยเขาไม่รู้ตัวจริงๆเลย เพราะเขาจะพยายามพูดจากคำสอนอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะไปให้เข้าใจอีกอีกอย่างหนึ่งก็ช่วยๆก็บิดๆไปเรื่อยพอมารู้แล้วว่าทำไมาศาสนาจึงเสือ่อมเพราะคนไม่พยายามที่จะเรียนรู้คำสอนเลยพยายามไม่สนใจคำสอนพยายามไม่ปฏิบัติตามคำสอนไม่พยายามที่จะคิดตามคำสอนแล้วใจลึกๆจริงๆเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าคาสอนช่วยได้จริงลึกละเอียดละเอียดเลยจริงๆนะ ถามว่าดูจากอะไรดูจากว่าการเรียนพระธรรมการคิดพระธรรมการพิจารณาพระธรรมเป็นเรื่องท้ายที่สุดในทุกเรื่องในชีวิตนะเช่นฟังธรรมก็ต้องรอเวลาว่างก่อนเอว่างจากเรื่องอื่นทั้งหมดเลยนะเคลียร์หมดแล้วว่างๆวันนี้ว่างๆเลยฟังธรรมน้อยนักที่จะแต่บอกฟังธรรมคือเรื่องหนึ่งการคิดพระธรรมการปฏิบัติธรรมคือเรื่องหนึ่งเรื่องอื่นเว้นได้ก็เว้นละได้ก็ละแบ่งเวลาได้ก็แบ่งเป็นต้นเนี่ยนะ คือวิจารณญาณว่าสาระจริงๆที่อนะชีวิตของเรามันก็ต้องมีแบ่งนะปกติก็แบ่งว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรควรทําอันดับหนึ่งอะไรควรทําลําดับสองอะไรควรทําลําดับสามอะไรควรทําลําดับสี่พระธรรมนี่สิ่งที่ควรทําลําดับที่สี่ไม่เชื่อไปถามตัวเองเลยเถอะเนี่นะยอมบางคนก็บอกว่าวันนี้มีนัดมาไม่ได้หรอกแล้วต้องรอให้มันเสร็จนัดก่อนแล้วค่อยมาอะไรเนั่นนะนะมันยังเนื่องในใจว่าโอ้พระธรรมนี่เป็นเรื่องลําดับสี่จริงๆเขาว่างหมดแล้ว่ะ คือคือเรื่องอื่นๆที่เขาเรียกว่ามันก็ไม่น่าสนใจและจึงได้หันก็มาศึกษาพระธรรมมันวิจารณญาณท้าวิบัติขึ้นเนี่ยเราก็คือไอคาว่าวิบัติเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ต้องมาที่นี่แต่หมายความว่าทำยังไงให้ใจเป็นไปกับคำสอนให้มากที่สุดตรงนั้นล่ะตรงนั้นที่อยากจะบอกว่าทำยังไงให้ถือเอาคำสอนเป็นสาระถือเอาคาสอนเป็นลาดับที่หนึ่ง แต่ไม่ได้หมายเขาว่าจะต้องมาฟังที่นี่เท่านั้นไม่ได้ไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่แปลว่าทํายังไงจะให้อยู่กับคําสอนให้มาก <Discovery> ที่สุดหลายคนเคยถามไหมว่าเราเองเนี่จะมีชีวิตอยู่อีกกี่ชั่วโมงเอาชั่วโมงเลยนะตอนเนี้ยดีไม่ถามนาทีหลืออีกกี่ชั่วโมงแล้วมีเจตนาว่าจะต้องอยู่กับธรรมะอีกกี่ชั่วโมงนะชาตินี้สมมุติถ้าเรามีชีวิตอยู่อีกหนึ่งหมืนชั่วโมงนั่นนะขออยู่กับธรรมะให้ได้กี่ชั่วโมงดีสองรอยชั่วโมง เท่าไรดิคุณนิตยาเท่าไหร่นะเก้าพันชั่วโมงเลยเนะอะถ้าอย่างนั้นก็แจ่วละแต่ถ้าไม่ได้ละ่ะมันน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่อยู่ในบุญเนี่ยอยู่กับอะไรอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่บุญถ้าไม่อยู่กับคําสอนไม่อยู่กับธรรมะถามว่าอยู่กับอะไรก็อยู่กับอธรรม น, นะธรรมะกับอธรรมเนี่ยนะจะให้ผลเหมือนกันก็หาไม่อธรรมย่อมนําไปสู่ นรกธรรมะย่อมนำไปสู่สุขคติพระฉะนั้นจิตของเราทำยังไงให้เป็นไปกับธรรมแต่ถ้าย้อนกลับมาหาธรรมนะกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เรากำหนดรู้ด้วยทิฏฐิวิสุทธิไหมในสิ่งนั้นๆกำหนดรู้ด้วยกังขาวิตรณวิสุทธิไหมกำหนดรู้ด้วยมาาัคคามัคคายานัศนะวิสุทธิไหมกำหนดรู้ในความเป็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างจริงๆ ร, ริงไหม ทีนี้ถ้าอนิจจังเนี่ยอนิจจังต้องนึกไว้เสมอนะมันไม่เที่ยงนี่ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปต้องอย่าทิ้งอัดของเขาว่าอนิจจังคือสิ้นไปสิ่งใดที่ไม่เที่ยงเพราะสิ่งนั้นมันสิ้นไปสิ้นไปจริงๆเช่นอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตอนาคตก็จะสิ้นในอนาคตปัจจุบันก็กําลังสิ้นไปอยู่มันสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะมันน่ากลัวตรงนี้ฟังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะมันน่ากลัวยังไงใช่ไหมเห็นสิ่งที่น่าปรารถนามันน่ากลัวยังไง เห็นอาหารอร่อยอร่อยน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงที่ว่าตัวที่นำไปเกิดในภพใหม่ถ้าในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่น่าพอใจนะวัตตะจะดับทนซีเลยถ้าดับสิ่งที่น่าพอใจทั้งหมดในโลกได้นะวัตถุทุกจะดับหมดเลยแต่เนื่องจากว่ายังมีสิ่งที่น่ายินดีอีกตั้งหลายอย่างวัตตะเลยยังยืดยาวอยู่เพราะนั้นไอ้ไอ้กู ความยืดยาวของวัตตะก็คือเนื่องจากว่ายังติดในสิ่งที่ตัวเองพอใจพันตันหาเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ละละที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกบุคคลเมื่อจะละตันหาก็ละที่นั่นเมื่อจะดับก็ดับที่นั่นเนั่นนะพันธะโลกนี้ไม่มีสิ่งที่น่าพอใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะทุกคนจะปฏิบัติเพื่อความเป็นผ้าหัน์ไม่นานสักเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่ามีสิ่งที่ตัวเองพอใจอีกตั้งหลายอย่าง จะต้องไปเพิ่มความน่าพอใจสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นมากขึ้นก็เลยที่จะปฏิบัติเพื่อความดับน้อยลงนี่นน้อยลงเพราะมัวแต่เพลดิดเพลินในสิ่งที่ตัวเองพอใจทีนี้ทํำยังไงที่วันในสิ่งที่ตัวเองพอใจเนี่ยมองให้เห็นว่าสิ่งที่เราพอใจอยู่นี่คือมหาภัยนะคือสิ่งที่มีภัย สิ่งใดที่เราพอใจสิ่งนั้นคือที่ตั้งแห่งชาติชรา ม, มรณาโสกกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจาไม่ให้แม่นเลยนะจำไว่ให้แม่นสิ่งใดที่เราพอใจที่สุดสิ่งนั้นนํามาซึ่งชาติชรา ม, มรณาโสกกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตท่องไว้เลยมันมันไม่ยอมเห็นตามก็ท่องตามก็แล้วกันเนี่ยนะสมมติเราเห็นเนี่ยอุ้ยดอกไม้นี่สวยเออเนี่ยวัตถุแห่งชาติชรามรณาโสกกะปริเทวทุกโทมนัสและ อุปายาตบอกนาฬิกา Metal. นี้ก็สวยสวเออเนี่ยชาติชรามรณาโศกาปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตมาอย่างนี้แหละมันน่ากลัวอย่างนี้แหละถ้าหากว่านาฬิกานี้ไม่นํามาซึ่งชาติชรามรณาโศกาปริเทวทุกโทมนัตอุปายาตไม่น่ากลัวรอกแต่สิ่งที่เราพอใจมันนํามาซึ่งชาติชรามรณาโศกาปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาตสิ่งนี้จึงน่ากลัว สิ่งใดบ้างที่เราพอใจแล้วไม่นํามาซึ่งชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตไม่มีเลยในลกูกไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปายาตสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นสีเสียงกลิ่นรสโพธะะหรืออารมณ์ใดๆก็ตามที่เว้นจากการรู้อริยสัจธรรมเนี่ยนะอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดนามาซึ่งความน่ากลัวหมดเลย แม้แต่ผลแห่งบุญก็ยังนํามาเส้นความน่ากลัวผลแห่งบุญนะยังมากเอามาเกิดเป็นมนุษย์อีกเอาเป็นมนุษย์อีกดีไหมโอ้ยทําบุญไหว้พระเจดีด้วยดอกไม้ชาติหน้าก็เลยเกิดมาเป็นคนมีทรัพย์มากเกิดมามีร่างกายมีอาหารการเป็นอยู่ดีดีไหมก็น่าจะดีนะเขาบอกว่าดีสิถ้าเทียบกับอาบายบอกใช่และเชื่อและถ้าเทียบกับอาบายก็ดีกว่า แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะว่าถ้าเกิดมามีขันาตาอายตนะแล้วเนี่ยมันจะต้องบริหารหนักขนาดไหนเนะเรามาคิดดูดีๆนะถ้าเราเกิดมาเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์จริงแต่เดินน่ลุกขึ้นก็ห้าหกสิบกิโลนั่งก็นั่งห้าหกสิบกิโลนอนก็แผลหกสิบกิโลอย่างเงี้ย น, นะเดินก็หกสิบกิโลพยุงลุกขึ้นก็หกสิบกิโลอยน้ำหนักวันหนึ่งเราต้องแบกกี่ตันเนี่ย นั่งมานั่งหกสิบนอนหกสิบยืนหกสิบเดินหกสิบถ้าวิ่งก็โอ้เอาหกสิกิโลนี่วิ่งกกกึกไปอย่างง้นะน่ากลัวขนาดไหนถ้าเกิดมาอย่างงี้ไงเสร็จแล้วมีสาระอะไรบ้างเอาจริงๆเลยเอาเอาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะจะมีอะไรนอกจากความฝันเนี่ยฝันว่ า, าฝันว่าไปเที่ยวศรีลังกามาตอนนี้ก็เก็บไว้แต่ฝันอย่างเดียว เออเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวภาคเช้านี้จะเป็นความฝันนล้อีกไม่นานก็จะเป็นฝันวันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นฝันความฝันของวันจันทร์วันอังคารอาทิตย์นี้ก็จะเป็นความฝันของอาทิตย์ต่อๆไปเดือนนี้ก็จะเป็นความฝันของเดือนต่อๆไปปีนี้ก็จะเป็นความฝันของปีต่อๆไปชาตินี้ก็จะเป็นเหมือนกับความฝันของชาติต่อๆไปแล้วมันมีสาระอะไรจริงๆบ้างมีอะไรมันมันพอจะโอ้จริง ก, ก็ถ้าถามนักมรรว่าจริงไหมจริงแต่เป็นความจริงที่สิ้นไปเป็นความจริงที่น่ากลัวเพราะนำมาซึ่งชาติชราและมรณะเป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปาญาตเป็นความจริง ท, ที่ที่ไม่มีสาระอะไรเลยจริงไหมจริงแต่ไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่อุปสัคคโตอิติโตเนี่ยนะ อุปสรรคอุปทวะโตเนี่ย น, นี่ใช่เลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะสังขารทั้งหลายเป็นเช่นนี้แหละก็เลยมีช่วงหลังๆมาก็ตั้งโจทย์ถามว่าถ้าสังขารดีจริงทำไมพระพุทธเจ้าต้องสอนให้ออกนะแล้วทำไมพระองค์ต้องออกถ้าสังขารดีจริงตลอดไปถ้าสังขาร น, น่าปรารถนาจริงๆตลอดไปถ้าสังขารไม่มีปัญหาโดยประการทั้งปวง ถ้าอุปาทานขันห้าไม่นํามาซึ่งภยัยทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ออกสมมุติว่าการเพลดิดเพลินในสังขารเนี่ยมันเป็นความสุขทำไมพระพุทธเจ้าจึงมาตัดความสุขเหล่านี้ของเราออกไปแต่ว่าสิ่งนั้นมันจะนํามาซึ่งความทุกข์ในภายหลังถ้ายังมีสังขารเป็นอารมณ์อยู่คิดหรือว่าเราจะพ้นทุกข์คิดหรือว่าเราจะพ้นทุกข์เมื่อไรเนอเราจะเห็นว่าสังขา น, นี้เป็นเป็นภยัยเนีนะ ใครที่เจริญกุศลเนี่ยนะพยายามตั้งอัตตสัมมาปณิทิอวะให้ดีนะเมื่อไรเนอะศีลของเราจักสมบูรณ์เมื่อไรหนอะศีลวิสุทธิ์ที่เราจักสมบูรณ์เมื่อไรเนอเราจะไม่เห็นที่ใดาอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความทุศีลแห้แต่สิ่งเดียวเลยเพราะเราจะไม่เห็นเออเราจะไม่ยอมเสียศีลไหมเพราะเหตุแก่ญาติแก่ทรัพย์แก่อวัยวะแก่ชีวิตเมื่อไรเราจะเห็นคุณของศีลขนาดนั้นเนี่ยไง เมื่อไหรเราจะมีเห็นคุณของสมาธิเห็นจิตที่สงบเห็นจิตที่ตั้งมั่นเห็นคุณของอานาพิชชาเห็นคุณของอภพยาบาทเห็นคุณของสัมมาสังกปะเห็นคุณของวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเห็นคุณของปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเป็นต้นเมื่อใดเนาเราจะเห็นคุณของปัญญาปัญญาที่เห็นอันนี้นามรูปนี้ขันหานี้อายตนะ12นี้ท่าสิบแปด นี้สังสารทุกขนี้สังสารวัตรนี้กรรมนี้วิบากนี้กิเลสนี้ปฏิจจสมุปบาทที่เชื่อมโยงต่อกันเลืมตาขึ้นเมื่อไหร่ก็ น, นี้เหตุแห่งทุกข์ได้เริ่มขึ้นแล้วองเงีะนะลืมตาเมื่อไหร่ก็อาศัยจักขู่กับรูปเป็นต้นไล่จนถึงว่าการเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีด้วยการลืมตาเห็นรูปอย่างงี้ยนะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลก็มีได้ด้วย หูได้ยินเสียงเมื่อไหร่เราจะกลัวอย่างนี้สักทีหนึ่งนะเนี่ยนะเมื่อไหรเราจะกลัววัฏฏะจริงๆเลยเนี่ยนะคิดว่าหน่ากลัวกับกลัวจริงๆนี่เหมือนกันไหมอันนั้นเขบอกว่าถ้าหน่ากลัวเนี่เพราะเห็นด้วยกับคําสอนว่าเออมันหน้ากลัวจริงๆแต่ก็ไม่ได้กลัวจริงๆถ้ากลัวจริงๆบอกโอ้ยลืมตาขึ้นมื่อไหร่นะมองเห็นยมเล็กโอ้หู้หน้ากลัวจริงๆเลยนะหน้าตาก็หน่ากลัวสีก็หน่ากลัวจักรคูวิญญาณก็หน่ากลัวภัสสะเวทนาหน้ากลัวหมดเลย ทำไมจึงน่ากลัวเพราะสิ้นไปเพราะเพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งชาติชรา ม, มรณ์โสกกะปริเทวะทุก โ, โทมนัสและอุปายาตเมืม่อไหร่นั่นจะลืมตาแล้วกลัวยิ่งกว่ากลัวผีซะอีกเนี่ยนะแต่จริงๆนะั้นเชื่อไว้ลืมตาเห็นแต่ผีอา้าวไม่ได้เจริญมหาพูดมาหรือไงอา้าวไม่ได้เจริญพูดกรรมฐานมาหรือไงถ้าเจริญพูดกรรมฐานมานะถ้าเราลืมตาเห็นทุกครั้งเนี่ยคือเห็นมหาภูตรูป บอกหมาผีเด้กก็โกรธเอาไม่ค่อยยอมรับความจริงอนะัลืมตามเมื่อไหร่ก็เบื้องหลังของการเห็นคือหมหาปูตุรูปเบื้องหลังการได้ยินคือหมาปูตุรูปเนี่ยนะได้ยินฟังเสียงเนี่ยเสียงที่กําลังได้ยินอยู่นี้ก็คือมีหมาปูตุรูปเป็นเหตุใกล้า ย, ยาฟังให้ดีๆนะผีผีหลอกเนี่ยหมาปูตุรูปมันหลอกเอากลิ่นที่เราได้กลิ่นก็เบื้องเหตุใกล้ก็คือหมาปูตุรูปรสที่เราลิ้นทั้งหมดก็คือ มหาพูทรูปโพธภาทั้งมวลก็มีก็คือลักษณะของมหาพูตธรูปท่านบอกว่ามาเห็นมหาพูทธรูปเหมือนอะไรมาเรียนพ ย, ายาัยานะก่อนนะเนี่ยพยานหนาอะไรในหน้าสองร้อยสิบเอดาบอกว่าผู้ที่เจริญ พังคานุปัสนาเนี่ยนะตามเห็นแต่ความสิ้นไปความเสื่อมไปความดับไปความคลายไปของสังขารทั้งหลายผู้ที่ซ่องเสพเจริญทำให้มากซึ่งพังคานุปาานัสนาญาณอันมีความสิ้นไปเสื่อมไปแตกทาลายไปความดับไปแห่งสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์อยู่อย่างนี้สังขารทั้งหลายมีสภาพแตกทาลายไปในภพกําเนิดคติทิติและสัตตว่าทั้งปวงย่อมปรากฏเป็นภัยใหญ่ เมือ่อไหรเนาะเราจะเห็นทุกอย่างเน so ี okay. so, it, well. food, yeah, yes, ่ยเป็นภัยใหญ่เห็นว่ากามมาพบก็เป็นภัยใหญ่บอกว่าฟังแล้วเป็นภัยใหญ่จะไปอกชวนไปเที่ยวดิษฐภัยหรือเปล่ากามมาพบในสมมติาพอพูดเป็นภาษาธรรมะนะเอ้ใช่ใช่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นพูดแบบภาษาโอ้นะเออจังหวัดนั้นเราก็ยังไม่ได้ไปเลยเออชายทะเลตรงนั้นเราก็ยังไม่เห็นเลยน่ากลัวจริงหรือเปล่าไม่ทราบ ก็ให้มันน่ากลัวนะเออรถคันนั้นก็น่ากลัวนี่ยยังไงนะก็ถ้าอย่างนี้ก็เจ๋อละขันกามมาพบก็น่ากลัวรูปประพบก็น่ากลัวแล้วก็อารูปประพบก็น่ากลัวทําไมจึงน่ากลัวก็เราคบแต่สิ่งที่สิ้นไปเสื่อมไปทําลายไปเนี่ยก็สิ่งนั้นก็น่ากลัวอยู่แล้วนะพูดคิดง่ายๆนะนะไปคบกับใครคนนั้นก็ตายเป็นยังไงนะคบปั๊บตายเลยคบแล้วก็ตายคบแล้วก็ตายคบแล้วก็ตายถามว่าน่ากลัวหรือน่าคบ น่ากลัวนะสังขารทั้งหลายก็เหมือนกันภพใดก็เหมือนกันเราไปอยู่ในภพใดไปที่ภพใดเนี่ยนะก็ไปพบแต่ความแตกและความทำลายไปเนี่ยนะเขาบอกว่าใครที่เจริญมรานานุสติดีจริงๆเนี่ยจะจะรู้ว่าทุกตารางนิ้วในโลกนี้น่ากลัวหมดเลยทำไมที่ไหนที่สัตว์ไม่ตายมีไหมไม่มีเลยเนี่ยเขาไม่น่าเชื่อนะเนี่ยนั่งกระพริบตากันเนี่ยสัตว์ยังบินมาตายเลยอย่างเง้นะ แม้กระทั่งตาใสๆนี่ก็ยังเป็นที่ตายของสัตว์แล้วที่ใดมั่งไม่เป็นที่ที่ตายแห่งสัตว์ทั้งหลายแม่ปากนะพ่อมาเคยพูดพูดพูดไปแล้วแมลงบินเข้ามาตายเฉยอะไรเงี้ครไม่ทําในมันตายซะก่อนสรุปว่าทุกแห่งเป็นที่ตายไหมประเทศอยู่ที่หนึ่งนะมแมลงมันเข้าหูแล้วตายเลยเงี้ยนะสรุปว่าทุกแห่งนี้เป็นที่ตายนะหายใจเข้าหายใจออกมแมลงมันเข้าไปตายก็มีใครไม่เคยบ้าง แมลงไม่เคยเข้าตามาตายที่ตาเราไหมใครไม่เคยใครไม่เคยมีมแมลงมาตายที่หูบ้างใครไม่เคยหายใจเอ า, มาแมลงเข้าไปตายบ้างใครพูดพูดไปแล้วมแมลงไม่เข้าไปตายมีไหมเดินเดินไปเหยียบแล้วมันตายแสดงว่ามือเนี่ยไปแตะน่าอาวตายไปแหละอย่างนั้นเะยเท้าของเราเนี่ยสรุปว่าทั้งตัวเราเนี่ยคือลานเพชรข้าดแดนประหาร เช่อนะตาของเราก็แดนประหารหูก็เป็นแดนประหารจมูกก็เป็นแดนประหารทั้งร่างกายเนี่ยเป็นแดนประหารห น, นะแดนที่อื่นก็เป็นแดนประหารมันเพชะฆาดเจอเพชะฆาดอะไรจะเกิดขึ้นนะผู้ฆ่าเจอผู้ฆ่าก็เลยเข่นฆ่ากันมันพบทั้งหลายเนี่ยนะก็น่ากลัวทั้งการมาพบรูปประพบและอารูปประพบกาเนิดทั้งหลายเกิดในครันก็น่ากลัวไม่รู้จะไปเกิดในท้องแม่ไหนเนาะ แม่เป็นเอทหรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างเงี้ยน่ากลัวเกิดในครันและเกิดในไข่เนี่ยนะไปอยู่ฟองไหนเนาะฟองอฟองปลาหรือฟองเป็ดฟองไก่ฟองห่านไปอยู่ฟองไหนหรือฟองจระเข้ฟองเต่าเลยนะเกิดในไข่ก็น่ากลัวแล้วก็เกิดในโอปปาติกะพุ่โตขึ้นมาอ้าวเนี่ยนรกนี่อย่างเงี้ยโผล่ขึ้นมาปุ๊บผุดขึ้นมาทีในนรกอย่างเงี้ยโอปปาติกะอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวใช่ไหม ไม่รู้ไปเกิดบอ่อน้ําคลําไหนเนอะไปเกิดส้วมบอ่อไหนก็ไม่ทราบอย่างเง้ยนะฉะนั้นสามารถไปโผล่ได้ทุกแห่งแล้วมังคั่นเถอะสมมติจุติตรงนี้ปัติโซนที่โผล่ที่ส้วมอย่างเงี้ยโอ้โเดือดร้อนตายเลยนะว่าโผล่อีกทีหนึ่งโน่นอยู่ใต้ทะเลว่าหรือโผล่มาอีกทีหนึ่งเป็นมแมลงปีกแข็งกินพระเจดีอย่างเงี้ยนะก็เชื่อทุกแห่งในสัตว์นี่เยอะจริงๆเงี้ยนะแล้วก็โผล่มาอีกทีหนึ่งเป็นหอยอยู่ในทะเลอย่างเงี้ยนะทำอะไรได้ พอไม่ที่เป็นประดุกอยู่ที่ไหนอยู่พุทธมณฑลนี่นะพอไม่ที่หนึ่งนู่นอยู่พระธาตุวัดระธาตุบางเขนเนี่ยเป็นปลาสวายยังไงเพราะนั้นคือถามว่าที่ไหนมั่งที่เราเกิดไม่ได้เอาเอาอะไรมั่งเอาสุทธาวาสเนี่ยเอาเวน้น เ, เวน้นแต่พรหมโลกซหถ้ายังไม่ได้ชาตินะเวน้นพรหมโลกเรียนร่างกว่านั้นนะมีสิทธิ์ไปหมดเลยนี่ พบนี่โผล่ที่ไหนก็ได้เรารู้ไหมว่าพรุ่งนี้เราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแค่ไม่รู้นะแค่พรุ่งนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะไปที่ไหนบ้างไปพูดคำใดก่อนเห็นสีใดบ้างแค่นี้เราเราไม่ค่อยรู้แล้วแล้วพบใหม่ละ่ะเราเอามั่นใจขนาดไหนเพรา ะ, ะสังขารทั้งหลายนี้จึงมีแต่ภัยอยู่รอบด้านเพราะสังขารเหล่านี้นำมาซึ่งพบใหม่ท้งนั้นเลยเพราะสังขารทั้งหลายเหล่านี้จึงน่ากลัว ไม่รู้ไอ้เราจุติปปั๊บเนี่ยไปอยู่ในท้องใครนะยังนึกไม่ออกเลยนะแม่เขาจะสอนเราดีหรือเปล่าไม่รู้จะให้เรารักษาศีลนะลูกเอ้ยไปวัดฟังธรรมนั่งอยู่ในคันนะลูกอย่างเงี้ยนะมีไม่กี่คนหรอกที่แม่อะไรนะพอเด็กอยู่ในคันปั๊บแม่พาไปฟังธรรมยนะัยโดยมากพาไปไหนมีบางคนนะบอกว่าตั้งอต่ไมกตั้งแต่ยังไม่มีคันนะไม่ดื่มสุราเลยพราะมีเด็กคันนี้อยู่ในคันปั๊บเริ่มเมาแอะอะไรนั้นะ เริ่มสูบบุหรี่เก่งขึ้นเริ่มปากจัดจ้านขึ้นเริ่มด่าคนเป็นขึ้นโอ้ยเริ่มนั้นแสดงว่าต้องสะสมเอาไว้ให้ดีๆเลยนะถ้าไม่สะสมไม่ดีนี่พบต่อไปเดือดร้อนแน่นะไม่รู้เกิดในคันถามว่าไปเกิดในประเทศไหนเชื่อไหมคนพุทธในโลกนี้นี้มีประมาณห้าร้อยล้านคนห้าร้อยล้านคนนะเป็นผู้หญิงกี่คนแล้วก็ผู้หญิงพูดแข่งข้าจิงๆนะโดยมากถือศีลแปด ผู้หญิงพทดที่แข่งครัดดีมีศีลธรรงามนะโดยมากศีลแปดเพราะฉะนั้นอย่าหวังว่าจะได้เกิดในแม่เจ้าแจวอะไรเลยแล้วที่เหลือศาสนาอื่นหมดเลยรู้ไปเกิดตรงไหนก็ไม่ทราบนะโผล่มาอีกทีแล้วคุณกันตาเดือดร้อนแ น, ะ น, น่การเกิดเนี่ยการเกิดในภพใหม่เนี่ยมหาภัยดีๆนี่แหละคติมีห้าใช่ไหมคติไหนนรกเปรตนรกเดรฉาเปรตมนุษย์เทวดา เทวดาไม่รู้อยู่จักรวาลไหนก็ไม่ทราบถ้าอยู่เทวดาจักรวาล น, นี้เขายังชั่วหน่อยพระอริยะเยอะถ้าไปอยู่จักรวาลอื่นล่ะเพราะจักรวาล น, นี้มีเป็นแสนโกดจักรวาลเนี่ยนะมากกว่าแสนโกดจักรวาลเรียก อ, อนันดจาจักรวาลไม่รู้ไปโผล่จักรวาลไหนก็ไม่ทราบไปแล้วเรื่องมันยาวเลยครับนี้แล้วคทิติล่ะทิติคือวิญญาณทิติรูนะัทชาติหน้าทเพราะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันนํามาซึ่งภพใหม่ใช่ไหมถ้าเรามีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ปั๊บเนี่ยเราจะไปเกิด มีรูปยังไงนะปฏิสนธิจิตต่างกัน ร, รูปต่างกาันหรือปฏิสนธิจิตเหมือนการรูปเหมือนกรัรหรืออะไรมันเหมือนอะไรมันต่างเยเราจะเป็นแบบไหนนะหรือเกิดมาปั๊บเนี่ยไปอยู่ที่ตรงไหนแหล่งกำเนิดของเราเนี่เกิดอยู่ที่ใดตำแหน่งไหนของวัตตะนะก็วนๆนั้นจะเห็นว่าภพสามกำเนิด4ี่คติหวิญญาณทิฏิเจดสัตตาวาสเก้าเนี่ยปรากฏเป็นภัยใหญ่ภัยใหญ่ก็จากมหาภัยนั่นแหละ ทำไมจึงเรียกว่าภัยใหญ่เพราะสิ่งนั้นเป็นไปกับชาติชรามรณะเป็นที่ตั้งแห่งโสกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะก็จะเห็นทุกอารมณ์นี้น่ากลัวหมดเลยตอนฟังธรรมนะเหมือนอะไรเหมือนกับความน่ากลัวเหมือนนึกถึงเสือเนี่ยนะเหมือนเสือใช่ไหมน่ากลัวเหมือนเสือโคร่งเหมือนเสือเหลืองเหมือนหมีเหมือนเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนรากสด อันนี้หมายความว่าแบบโบราณนะไม่ใช่พูดแบบไปดูสวนสัตว์อะไรดูสวนสัตว์หรืเสือก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่กนะ็มีหลักมีอะไรให้แต่ว่าสวนสัตว์เปิดเนี่ยนะเดินไปตรงไหนก็น่ากลัวหมดอนะเหมือนยักษ์เนี่ยนะเหมือนผีเลยเหมือนรากสดเหมือนโคดุบางคนเนี่ยพูดถึงคือเคยใครที่เคยถูกวัวชนมากๆเนี่ย น, ะนึกถึงวัวนี่ขนลุกเลยก็มีหรือใครที่โดนหมากัดเป็นประจำเนี่ยนะพูดถึงหมาดุปึ๊บเนี่ย คนลุกเลยหรือช้างดุเคยถูกช้างเหยียบมาเนี่ยนะสยองขนไม่หา ย, ยอะไรเงี้ยมันก็เหมือนช้างที่ดุที่ตกมันก็เหมือนกับอสรพิษร้ายเนี่ยนะเหมือนงูอะ่ะหรือเหมือนสายฟ้าฟาดเหมือนป่าช้านะเคยถามโยมภาคเหนือบอกโยมป่าช้ากับปลาเห่าอันไหนน่ากลัวกว่ากันก็บอกปลาเห่าน่ากลัวป่าช้าไม่น่ากลัวหรอกเขาบอกกันคนคนภาคกลางก็บอกป่าช้ากับปลาเห่าอันไหนน่ากลัวกัน ปลาช้าน่ากลัวปลาเหี้วไม่น่ากลัวอันเดียวกันนั่นแหละอันไหนเชื่อนี่มันปลาเหี้วไหน น, นปะปลาเหี้หแวแปลว่าปลาช้า อ, อ, <c oughs> อยู่ที่นั่นนนะั่นที่ถามยมสิริพรด้ครับปลาช้าเนี่ยนะว่าบางคนเนี่ยเกิดมามันกลัวจริงๆเลยนะเดินผ่านนี่ขนลุกสู้สู้เลยนะ <c oughs> ป่าช้าหรือสนามรบเนี่ยนะก็ดูที่ระเบิดตูมตามตูมตามเนี่ยก็น่ากลัวนะเอาไหมย้ายประเทศไปสังกัดอยู่อิรักไม่เอาเลยนะไปอยู่ในแหล่งที่เขาอเนี่ยนะไม่มีใครย้ายนะให้ไปฟรีตั๋วฟรีก็ไม่ไปนะยมเล็กไปไหมตั๋วฟรีไปเที่ยวอิรักเนี่ยก็ไม่ไม่สนใจแล้วก็เหมือนสนามรบเนี่ยนะเหมือนแหล่งสงครามเนี่ย บอกที่ไหนพอจะมีสงครามนะมีมีที่ให้ไหว้พระก็ไม่ยอมไปเด็ดขาดนะนะขนาดมีที่ไหว้พระฟังธรรมก็ยังไม่ไปเลยนะขอให้มันดูมันมีปัญหาหน่อยก็ไม่เอาแล้วอย่างเง้หรือเหมือนไม่ก็เหมือนกับหลุมฐานเพลิงที่ยังลุกโผลงอยู่เป็นต้นปรากฏเป็นภัยใหญ่อยู่แก่บุรุษผู้ขลาดกลัวผู้ใคร่ความเป็นอยู่อย่างสุขสบายฉะนั้นก็อยากสบายพอนึกถึงอะไรก็คนลุกหมดเลยนะ เมื่อเธอเห็นอยู่ว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้วสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันก็กําลังดับอยู่แม้สังขารที่จะเกิดในอนาคตก็จะดับไปอย่างนี้เหมือนกันชื่อว่าพยตูปัฏฐานยานพยตูปัฏฐานยาณนี่กลัวทั้งอดีตกลัวทั้งอนาคตกลัวทั้งปัจจุบันแต่ไม่โกรธกลัวกับโกรธไม่เหมือนกันนะอันนี้กลัวด้วยปัญญาไม่ได้แปลว่าโกรธอะไร ปัญญาที่นึกถึงชีวิตในอดีตหูมันน่ากลัวจริงๆอนาคตต่อไปจะไปประสบอะไรเนาะปัจจุบันที่กําลังอยู่สังขารก็มีแต่สิ้นไปมีแต่เสื่อมไปมีแต่ดับไปอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นพยาตูปฐานัยอย่างก็เกิดความกลัวกลัวอดีตอนาคตนะคิดในหนึ่งนะกลัวอดีตอนาคตปัจจุบันเหมือนกําลังกลัวเสือเลยกลัวอดีตอนาคตปัจจุบันเหมือนเห็นเหมือนกลัวยักษ์เลยเหมือนกลัวผีเหมือนกลัวป่าช้านะ อดีตทั้งหมดที่ผ่านมาก็เหมือนกับกลัวป่าช้าอนาคตที่จะมีต่อไปก็เหมือนกับกลัวป่าช้าปัจจุบันนี้ก็กลัวป่าช้าแต่เชื่อไหมคนที่จะบรรลุมรรคผลจริงๆเนี่ยเห็นคนเป็นเหมือนป่าช้าได้หรอเหมือนใครเหมือนเจ้าชายศิทธะใช่ไหมเห็นบริวารที่เคยงามเนี่ยเป็นหมื่นคนเนี่ยโอ้โหป่าช้าเกลื่อนไปหมดเลยหรือเห็นอะไรเหมือนพระยักษ์กุลบุตรใช่ไหมยัก์กุลบุตรนี่มองเห็นคนทั่วไปเหมือนกับ คนหลับนะเหมือนป่าช้าผีดิบมา้งนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคนที่จะอบรมปัญญาอบรมวิปัสสนาระดับสูงเนี่ยจะต้องกลัวอย่างนั้นเลยกลัวทั้งอดีตกลัวทั้งอนาคตกลัวทั้งปัจจุบันถ้าเพลินอะไรจะเกิดขึ้นนะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกลัวก็คือเพลิดเพลินใชไหถ้าเพลิดเพลินนํามาซึ่งนํามาซึ่งชาติชราและมรณะถ้ากลัวนํามาซึ่ง อริยมรรคแล้วแต่จะเลือกเดินสายไหนนะเลือกที่จะกลัววัตฏะหรือเลือกที่จะกล้าในวัตฏะเลือกที่จะเพลินหรือเลือกที่จะอยู่เลือกที่จะจากหรือเลือกที่จะยังไงแต่ผู้มีปัญญาวิจัยพิจารณาโดยรอบครอบที่ท้วนทั้งหมดไม่มีเหลืออย่างนี้แล้วก็ต้องเลือกที่จะอยู่ฝ่ายกลัวแต่กลัวด้วยปัญญาอย่าลืมนะคบผู้ที่เจริญอย่างนี้จริงๆเนี่ยขณะที่มีปัญญาระดับนี้นะคนนี้มีความสุขที่สุด ในในระดับทั่วๆไปนะอยู่ด้วยความสุขนะแต่กลัวเอาเถีงกลัวด้วยปัญญาแต่เวทนานี้เป็นโสมนัสเนี่ยนะเวทนานี้เป็นโสมนัสขณะนั้นนะขณะที่กลัววัตต์จริงๆเนี่ยเป็นโสมนัสเวทนาแต่ปัญญานี้เห็นภายในวัตต์ว่านํามาซึ่งความน่ากลัวอย่างแท้จริงทีนี้คําว่ากลัวอย่างนี้เนี่ยนะพญตูปฐานญาณมองเห็นภยนัยในเห็นภัยทั้งอดีตอนาคตและ ปัจจุบันในพยัตูปฐานัยานั้นมีอุปมาดังต่อไปนี้มีเรื่องเล่ามาว่ายิงคนหนึ่งมีบตรอยู่สามคนซึ่งกระทาผิดต่อพระราชานนะก็สามคนนี้คนเลวทั้งคู่นะคดียาบ้าอย่างใหญ่เหมือนกันพระราชาก็เลยรับสั่งให้ตัดศีรษะคนทั้งสามนั้นยิงคนนั้นก็ไปสู่ตะแลงแกงคือแดนประหารพร้อมกับบุตรทั้งสามคนลำดับนั้นเพชฌฆาตตัดศีรษะบรคนโตของนางแล้วก็เริ่มจะตัดศีรษะบรคนกลาง ยิงนั้นเห็นศีรษะของบุตรคนโตที่ขาดแล้วเห็นศีรษะของบุตรคนกลางที่กําลังขาดก็ทอดอะไรในบุตรคนเล็กเสียว่าไอ้เจ้าคนเล็กนี้มันก็จะหัวขาดเหมือนสองคนที่กําลังขาดอยู่นี่แหละบรรดาบุตรสามคนนั้นการที่พโยคีเห็นความดับไปแห่งสังขารที่เป็นอดีตทั้งหลายก็เปรียบเหมือนการที่หญิงนั้นแหละเห็นศีรษะที่ขาดแล้วของบุตรคนโตก็จริงใช่ไหมอย่างเราทั้งหลายเนี่ยคอในอดีตยังอยู่ไหม หัวในอดีตอยู่ไหมถึงทุกวันเนี่ยหัวในอดีตชาติเป็นล้านกลับที่แล้วยังอยู่ถึงทุกวันไหมก็หัวขาดมาแล้วคนเคยหัวขาดตั้งนั้นแหละนะอดีตชาติเคยถูกตัดคอถูกเชื่อถูกเฉือนถูกฆ่าถูกอะไรมาเบ็ดเสร็จหมดแล้วอันนี้ก็ใส่ใจเลยว่าอดีตเคยถูกตัดหัวมาแล้วถ้าไม่ถูกตัดหัวมาแบบนี้อาจจะไม่ตายก็ได้นะแต่ว่าจะอยู่สถานะอะไรแต่สรุปว่าถึงเป็นอะไรก็ถือว่าหัวขาดมาแล้วจึงตายจากอดีตชาติมา สองการที่พโยคีเห็นความดับไปแห่งสังขารทั้งหลายในปัจจุบันเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนที่หญิงนั้นเห็นศีรษะของบุตรคนกลางที่กําลังขาดเพรา ะ, ะรเพราะสังขารทั้งหลายใช่ไหมอย่างรูปแต่ละสมุทฐานแต่ละสมุทฐานก็เสียหายไปอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วกรรมชร้อโก็เสียหายไปอนะจิตแต่ชื้อโอุตูชื้ออาหารชร้อโเวทนาแต่ละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างก็กําลังแตกทําลายเสียหายไป การที่พระโยคยีเห็นความดับไปของสังขารในอนาคตว่าสังขารทั้งหลายที่จะเกิดแม้สังขารเหล่านั้นก็จะแตกทำลายไปเปรียบเหมือนการที่หญิงนั้นสละความอะไรในบุตรคนเล็กด้วยคิดว่าแม้บุตรคนเล็กนี้ก็จะเป็นเหมือนกับบุตรทั้งสองนั่นและเมื่อพระโยคยีนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ชื่อว่าพยาตูปฐานยาณเกิดขึ้นในฐานะนั้น ก็จากเปรียบเทียบของวิสุทธิมักเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าสังขารทั้งหลายเนี่ยหน้าปราถนาหน้าพอใจเหมือนบุตรในไส้อไนะอย่างเหมือนกับทุกคนก็รักชีวิตจริงๆอ่ะ น, นะรักมากๆเลยห่วงแหนธนุธนอมสังขารเนี่ยแต่ก็ไม่ควรลืมว่าลูกอันเป็นที่รักก็คือลูกที่ผิดต่อลูกที่มีความผิดลูกที่เป็นมหาโจรลูกที่เป็นอ่ะ น, นะเป็นนักโทษประหาร เพราะฉะนั้นในอดีตเราทั้งหลายถึงจะรักตัวกลัวตายรักชีวิตขนาดใดก็ตามมาชีวิตในอดีตก็ถือว่าถูกประหารมาหมดแล้วใช่ไหมอนาคตต่อไปเราก็คือนักโทษประหารไม่รู้จะไปเป็นอะไรถึงจะไปเ ป, เป็นอะไรก็มีความตายเป็นที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าที่สุดของวัตตะของแต่ละชาติคือความตายที่สุดนะชราและมรณะเริ่มแล้วอะไรเป็นสี่กรรมก็คือภพเนี่ยเป็นตัวสี่กรรมและอวิชาเป็นดุม มันจะหมุนไปที่ไหนไปเกิดณนะที่ใดพบใดแห่งใดตำบลใดก็คือไปไปตายพูดภาษาไทยเนะ่ยก็ไปตายมันถามว่าคนกําลังไปไหนบอกไปตายเนี่ยนั่งทําไมก็นั่งรอความตายอันะันั่งรอแก่รอตายไปไหนไปแก่ไปตายนั่งแก่ตายนอนเพื่อแก่เพื่อตายเลยนะแต่ถามว่าใครที่พลัดได้มั่งเอาเอาจริงๆเลยนะผ่อนผันผลัดวันประกันรพรุ่งบอกอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งเลยไม่ได้ เพราะสังขารทั้งหลายมีความ